5. าธรรมิกาธรรมิกะปาติโมกขัดถะปณะนะว่าด้วยการงดปาติโมกชอบธรรมและไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลาย การงดปาติโมกไม่ชอบทำหนึ่งอย่างการงดปาติโมกชอบทรหนึ่งอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทรสองอย่างการงดปาติโมกชอบทรสองอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำสามอย่างการงดปาติโมกชอบทรสามอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำสี่อย่าง การงดปาติโมกชอบรรสี SI ่อย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำห้าอย่างการงดปาติโมกชอบทรห้าอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบรรหกอย่างการงดปาติโมกชอบทรหกอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำเจ็อย่างการงดปาติโมกชอบทรเจ็ดอย่าง การงดปาติโมกไม่ชอบทำแปดอย่างการงดปาติโมกชอบทำแปดอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำเก้าอย่างการงดปาติโมกชอบทำเก้าอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำสิบอย่างการงดปาติโมกชอบทำสิบอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำหนึ่งอย่างคือ งดปาติโมกเพราะศีลลวิบ <isas> ัติไม่มีมูลนี้เป็นการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมหนึ่งอย่างการงดปาติโมกชอบธรรมหนึ่งอย่างคืองดปาติโมกเพราะศีลวิบัติมีมูลนี้เป็นการงดปาติโมกชอบธรรมหนึ่งอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมสองอย่างคือหนึ่ง งดปาติโมกเพราะศีลลวิบัติไม่มีมูล 2. งดปาติโมกเพราะอาจาระวิบัติไม่มีมูลนี้เป็นการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมสองอย่างการงดปาติโมกชอบธรรมสองอย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะศีลลวิบัติมีมูล 2. งงดปาติโมก เพราะอาจาระวิบัตมีมูลนี้เป็นการงดปาติโมกชอบธรรมสองอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมสอย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะศีลวิบัตไม่มีมูล 2. งดปาติโมกเพราะอาจารยระวิบัตไม่มีมูล 3. งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัต ไม่มีมูลนี้เป็นการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมสามอย่างการงดปาติโมกชอบธรรมสามอย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะศีลวิบัติมีมูล 2. งดปาติโมกเพราะอาจารวิบัติมีมูล 3. งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล นี้เป็นการงดปาติโมกชอบธรรมสมอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบธรรม4อย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะศีลวิบัติไม่มีมูล 2. งดปาติโมกเพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล 3. งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูล 4. งดปาติโมก เพราะอาชีววิบัติไม่มีมูลนี้เป็นการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมสอย่างการงดปาติโมกชอบธรรม4อย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะศีลวิบัติมีมูล 2. งดปาติโมกเพราะอาจาราวิบัติมีมูล 3. งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล 4. งดปาติโมกเพราะอาชีววิบัติมีมูลนี้เป็นการงดปาติโมกชอบธรรมสอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมห้าอย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะอาบัตปาราชิกไม่มีมูล 2. งดปาติโมกเพราะอาบัตสังคาทิเศสไม่มีมูล 3. งดปาติโมกเพราะอาบัตปาจิตตีไม่มีมูล 4. งดปาติโมกเพราะอาบัตปาติเทศนียะไม่มีมูล 5. งดปาติโมกเพราะอาบัตทุกกฎไม่มีมูลนี้เป็นการงดปาติโมกไม่ชอบทำห้าอย่างการงดปาติโมกชอบทำห้าอย่างคือหนึ่ง งดปาติโมกเพราะอาบัติปาราชิกมีมูล 2. งดปาติโมกเพราะอาบัติสังขารทิเศตมีมูล 3. งดปาติโมกเพราะอาบัติปาจิตติมีมูล 4. งดปาติโมกเพราะอาบัติปาติเทสนียมีมูล 5. งดปาติโมกเพราะอาบัติทุกกฏมีมูล นี้เป็นการงดปาติโมกชอบทำห้าอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบธรำหกอย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะศีลลวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทํา 2. งดปาติโมกเพราะศีลลวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทํสามงดปาติโมก เพราะอาจารยวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำ 4. งดปาติโมกเพราะอาจารยวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทำ 5. งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำ 6. งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทำ นี้เป็นการงดปาติโมกไม่ชอบทำหกอย่างการงดปาติโมกชอบทำม6อย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะสีลวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำา 2. งดปาติโมกเพราะสีลวิบัติมีมูลที่ภิกษุทํามงดปาติโมก เพราะอาจารระวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำสี่งดปาติโมกเพราะอาจารระวิบัติมีมูลที่ภิกษุทำห้างดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำห 6. งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุทำนี้เป็นการงดปาติโมกชอบธรรม 6อย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำรม7อย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะอาบัตปาราชิกไม่มีมูล 2. งดปาติโมกเพราะอาบัตสังฆาทิเศษไม่มีมูล 3. งดปาติโมกเพราะอาบัตทุลัจใจไม่มีมูล 4. งดปาติโมก เพราะอาบัตปาจิตตีไม่มีมูลห้างดปาติโมกเพราะอาบัตปาติเทสนิยะไม่มีมูลหกงดปาติโมกเพราะอาบัตทุกกฎไม่มีมูลเจ็ 7. งดปาติโมกเพราะอาบัตทุกพาสิทธไม่มีมูลนี้เป็นการงดปาติโมกไม่ชอบทำเจ็อย่าง การงดปาติโมกชอบธรรมเจ็อย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะอาบัติปาราชิกมีมูล 2. งดปาติโมกเพราะอาบัติสังฆาทิเศตมีมูล 3. งดปาติโมกเพราะอาบัติทุลัดใจมีมูล 4. งดปาติโมกเพราะอาบัติปาจิตติมีมูล 5. งดปาติโมกเพราะอาบัตปาติเทศนียะมีมูล 6. งดปาติโมกเพราะอาบัตทุกกฎมีมูล 7. งดปาติโมกเพราะอาบัตทุกภาสิกมีมูลนี้เป็นการงดปาติโมกชอบทำเจ็อย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทรแปดอย่างคือหนึ่ง งดปาติโมกเพราะศีลวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำสองดปาติโมกเพราะศีลวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทำสามงดปาติโมกเพราะอาจารยวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำสีงดปาติโมกเพราะอาจารยวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทำห งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำหงดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทำเจงดปาติโมกเพราะอาชีววิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำแงดปาติโมกเพราะอาชีววิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทำ นี้เป็นการงดปาติโมกไม่ชอบทรแปดอย่างการงดปาติโมกชอบทำแปดอย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะศีลวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทํา 2. งดปาติโมกเพราะศีลวิบัติมีมูลที่ภิกษุทํามงดปาติโมกเพราะอาจารรวิบัติมีมูล ที่ภิกษุไม่ได้ทํา 4. งดป า, <shorts. S 1> ปาติโมกเพราะอาจารระวิบัติมีมูลที่ภิกษุทํา 5. งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทํา6งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุทํา 7. งดปาติโมก เพราะอาชีววิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทํา 8. งดปาติโมกเพราะอาชีววิบัติมีมูลที่ภิกษุทํานี้เป็นการงดปาติโมกชอบทำแปดอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำเก้าอย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะศีลวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทํา สงดปาติโมกเพราะศีลวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทำสามงดปาติโมกเพราะศีลวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทั้งทำและไม่ได้ทำสีงดปาติโมกเพราะอาจารยวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำห้งดปาติโมกเพราะอาจารยวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทำ หงดปาติโมเพราะอาจา ร, รวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษ th th ุทั้งทมและไม่ได้ทรรม 7. งดปาติโมเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำแปงดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทํา 9. งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทั้งทมและไม่ได้ทำ นี้เป็นการงดปาติโมกไม่ชอบทำรก้าอย่างการงดปาติโมกชอบทำเก้าอย่างคือ 1. งงดปาติโมกเพราะศีล ว, วิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำา 2. งดปาติโมกเพราะศีล ว, วิบัติมีมูลที่ภิกษุทำามงดปาติโมกเพราะศีลวิบัตมีมูล ที่ภิกษกุทั้งทําและไม่ได้ทํา 4. งดปาติโมโกเพราะอาจารยวิบัติมีมูลที่ภิกษกุไม่ได้ทํา 5. งดปาติโมโกเพราะอาจารยวิบัติมีมูลที่ภิกษุกทํา 6. งดปาติโมโกเพราะอาจารยวิบัติมีมูลที่ภิกษุทั้งทําและไม่ได้ทํา 7. งดปาติโมก เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทํา 8. งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุทํา9งดปาติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุทั้งทําและไม่ได้ทํานี้เป็นการงดปาติโมกชอบทำเก้อย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำสิบอย่าง 1>, 1. ภิกษุผู้เป็นปาราชิกไม่นั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. ถ้อยคำปรารบผู้เป็นปาราชิกไม่ได้ค้างอยู่ 3. ภิกษุผู้บอกคืนสิกขาไม่นั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. ถ้อยคำปรารบผู้บอกคืนสิกขาไม่ได้ค้างอยู่ 5. ภิกษุร่วมสามัคคีที่ชอบธรรม 6. ไม่ค้านสามัคคีที่ชอบธรรม 7. ถ้อยคำปรารบการค้านสามัคคีที่ชอบธรรมไม่ค้างอยู่ 8. ภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะสีลวิบัติไม่มีอยู่ 9. ภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจาระวิบัติไม่มีอยู่ 10. ภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีอยู่นี้เป็นการงดปาติโมกไม่ชอบธรรม10บอย่างการงดปาติโมกชอบธรรม0ิบอย่างคือ 1>, 1. ภิกษุผู้เป็นปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. ถ้อยคำปรารบผู้เป็นปาราชิกได้ค้างอยู่ 3. ภิกษุผู้บอกคืนสิกขานั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. ถ้อยคำปรารบผู้บอกคืนสิกขาได้ค้างอยู่ 5. ภิกษุไม่เข้าร่วมสามคัคคีที่ชอบทำ หกพิษุค้านสามัคคีที่ชอบธรรม 7. ถ้อยคาปรารบการค้านสามัคคีที่ชอบธรรมค้างอยู่ 8. ภิพิุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะสีลวิบัติมีอยู่ 9. ก้าพิุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัย เพราะอาจาระวิบัติมีอยู่ 10. ภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัติมีอยู่นี้เป็นการงดบาติโมกชอบธรรมสิบอย่าง